เจริญในธรรมทุกท่านธรรมทุกท่านทีนี้เราก็มาฟังธรรมฟังธรรมภายนอกฟังเสียงคนเลยพูดในฟังธรรมภายในในตัวเองฟังไปทีนี่ก็ขอให้ฟังโดยที่เขาไปฟังเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปอ่านเข้าไปเข้าใจ ใจตัวเองใจเข้าใจดูใจเอาใจดูใจเอาตัวรู้ดูตัวรู้เอาเอาสติเข้าไปดูสติเอาความรู้สึกเข้าไปดูความรู้สึกก็คือเอาธาตุรู้คือจิตคือใจนะ่ะคือสติคือปัญญานะเอาไปดูตัวมันเองไปดูตัวเองวิธีวิธีที่ปฏิบัติที่รัดสัน้นหลวงพ่อ สรุปตัวเองคำสวดคำพูดทุกชนิดนะเอาจับจุดตัวเดียวคือพูดเพื่อให้พ้นทุกเพื่อวางจากทุกเพื่อไม่มีทุกทางใจเลยการกระทําทุกอย่างกระทาจิใ จ, ใจกำลังทําความนึกคิดอยู่มนโนกรรมวัจีกรรมปากพูดอยู่กายกรรมกายทำอะไรอยู่ทเพื่อพ้นทุกข์นี่นะสรุปตัวเดียวเลยสรุปลงไปตัวเดียวยนะฟังไม่รู้เรื่องก็เอากับ ไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องความดับทุกข์นี่เอาตอวนี้ถ้ารู้เรื่องก็รู้เรื่องความดับทุกข์นะี่เอาตัวจัดจับไปตัวเดียวเนแล้ววิธีทำเถอะนะวิธีทำก็คือให้ดูกายเคลื่อนไหวดูรูปพระธรรมเคลื่อนไหวรูปของมือรูปของเท้าเคลื่อนไหวรูปของลมเคลื่อนไหวทางจมูกรูปของหัวใจเต้นรูปอะไรก็แล้วแต่ที่รูปของวัตถุกาย เคลื่อนไหวให้เข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปเข้าใจเข้าไปรับทราบเข้าไปสัมผัสเนี่ยสัมผัสก็สามารถแบบหนึ่งสัมผัสแบบว่าไม่มีความนึกคิดปรุงแต่งเจียวนอยู่นั้นอๆรู้ซื่อรู้ใช้ยรู้เปล่ารู้ว่างรู้กลางๆอ่รู้ปกติรู้บริสุทธิ์รู้ล้วนรู้แล้วก็แล้วไปรู้จบ ไม่ติดรู้จักรู้จํารู้แจ้งรู้จริงรู้จบจบจบปัญหาจบความสงสัยจบความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอะไรเพราะว่าทุกสิ่งมันเป็นธรรมะอยู่แล้ว <c oughs> ธรรมะอยูนะ่รูปก็เป็นธรรมะฝ่ายรูปฝ่ายปัทถุใจเป็นธรรมะเป็นนามธาตุเป็นธาตุรู้อยู่เนรรีเยนะ่ยแล้วทีนี้พระนิพพานก็เป็นธรรมะเป็นธรรมะที่ว่าง ว่างจากคุกว่างจากสรรหาความทยานอยากว่างจากอุปทานความยึดมั่นแต่มั่นว่างจากกิเลสความเศร้าหมองคงสกปรกเป็นธรรมะที่ว่างอยู่อย่างนั้นพันธุ์านไม่ปรากฏการเกิดไม่ปรากฏการดับแต่มีอยู่เป็นอนันตการมีอย่างไงที่ว่าความโลภความโกรธความหลงความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นปั๊บแป๊บแบบนี้มันเกิดขึ้นนะแต่ความไม่โลภ ความไม่โกรธ ค, ความไม่ลงนะมีความไม่โลภมีความไม่โกรธมีความไม่ลงมันมีอยู่เป็นอนันตการเลยนะมีอยู่ก่อนจะเกิดความโกรธมันก็ไม่มีความโกรธความโกรธเกิดขึ้นอยู่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดับไปอาการดับไปมันก็ไม่มีความโกรธอยู่เลยแสดงว่าความไม่โกรธความไม่ทุกข์มันมีอยู่เป็นอนันตการแต่เราไม่ไม่เห็นไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันตั้งอยู่สิ่งที่มันดับใจคืออาการที่มันเกิดกับกาย อาการที่เกิดกับใจเลยมันเขาไปเห็นเห็นอาการเห็นอาการโกรธอาการโลภอาการหลงอาการดีใจอาการเสียใจอาการพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นกับใจนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเขาเรียกว่าทุกข์อ่าก็เรียกว่าทุกข์ไเป็นสังขารปูงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นธรรมอ่าเห็นธรรมจะเป็นฝ่ายทุกข์ความ ความดีใจก็เกิดขึ้นตั้งอยู่เดาไปความเสียใจก็เกิดขึ้นตั้งอยู่เดาไปหัวเราะเ ก, าเกิดขึ้นตั้งอยู่เดาไปร้องไห้เกิดขึ้นตั้งอยู่เดาไปพอใจเกิดขึ้นตั้งอยู่เดาไปไม่พอใจก็เกิดขึ้นตั้งอยู่เดาไปฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่เดาไปทุกเท่ากันหมดหัวเรา ะ, life, Fruit, ih, ะเท่ากับร้องไห้ดีใจเท่ากับเสียใจพอใจเท่ากับไม่พอใจเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่เดาไปนางวชิราเชลีเป็นสาวบวชขนาดนี้ยได้ฟังถามแค่นี้สําเร็จพระอรหันต์เลย ไม่สงสัยในะนั้นเลยอ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปนะี่เป็นอาการของสังขารธรรมทรรมฝ่ายทุกฝ่ายปวงแจงว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปแล้วก็รู้ก็ใจก็เฉยนะไม่สงสัยอะไรทีรนี้ไอ้สิ่งที่มันไม่เกิดขึ้นไม่ดับไปก็คือความไม่ทุกข์นั่นเองความไม่เป็นอะไร น, ะ น, นั่นเองในหลวงพ่อเขียนไม่เป็นอะไรคำว่าไม่เป็นอะไรนะ ไม่เป็นผู้สุขไม่เป็นผู้ทุกข์ไม่เป็นผู้ดีใจไม่เป็นผู้เสียใจไม่เป็นผู้คิดไม่เป็นผู้ยืนผู้เดินผู้นั่งผู้นอนอะไรไม่เป็นอะไรมีแต่รูปทํามนามธรรเท่านั้นเป็นอาการแสดงออกมาะท่านฉันคําข้าวะคําข้าวยกขึ้นมาเห็นอะไรไหมเห็นน่เห็นรูปมือเนี่ยมันจับก้อนข้าวแล้วก็ใส่เข้าในปากก็เคี้ยวแล้วก็เกินลงไปเห็นเป็นอาการอย่างนั้น ไม่ได้เห็นเป็นสัตว์บุคคลตัวตเราเขาเห็นซื่อๆเห็นเชยๆเห็นเปล่าๆนั่นนหะก็เห็นอาการของอาการของรูปมันกําลังเคลื่อนไหวแล้วก็เคลื่อนไหวแล้วก็ดับไปเคลื่อนไหวแล้วก็ดับไปเคลื่อนไหวแล้วก็ดับไปแล้วเห็นอาการของตัวรู้เปตัวรูปมันก็ดับไปเห็นอาการเคลื่อนอาการเคลื่อนมันหยุดก็อาการเคลื่อนการอาการรูปว่าการเคลื่อนก็ดับไปเห็นอาการหยุดเลยนะพราะอาการหยุดอยู่นิ่งอยู่พอเคลื่อนปั๊บอาการนิ่งอาการหยุดหยิ่ก็หายไปดับไปนะ มันดับไปทั้งรูปทั้งนามนั่นแหละแต่ว่าไอ้ตัวรูปมันดับมันเห็นชัดไอ้ตัวนามมันดับมันเห็นมันชัดเพราะมันเบามันไม่มีส่วนไม่มีตนอะไรมันเป็นความรู้สึกเฉยเฉยนะนะมันก็ดับไปดับไปเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเจนี้ไอ้ดับแบบนี้มันดับแบบอันิีจังดับแบบทุกขังดับแบบอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบนี้สี่ดับแบบตัณหาดับแบบอวิชชาดับกับตัวอริยสัจสี่นั่นคือเห็นความอยาก กามตัณหามันเกิดสัญญากขึ้นในกามในความรักใคร่ในความกำหนัดเนี่ยมันเกิดขึ้นโอ้อันนี้อะไรความสัญาญาอะไรมรดณ์หาได้เกิดขึ้ น, นเราได้นะที่ตัวตัวที่เขาไปเห็นเขาไปรู้เนี่ยคือตัวสติคือความรู้สึกเนี่ยเขาไปดูเขาไปรู้เขาไปเห็นตัวกามนั้นถ้าตัวดูตัวูตัวเห็นนี่ยมันคมมันกล้ามันแข็งแรงไอ้ตัวกามมรดณ์หาก็ดับไปหายไปนะไปปรกากฏไปที่เนี่ยมันเห็นตัวภาวะมัณหาภาวะมัณหาก็คือตัวหลงหลงมีหลงเป็นหลงให้ร่างกาย เชี่ยงแท้ลงให้เจตใจเชี่ยงแท้ลงให้ความสุขความสบายมันเชี่ยงแท้ถาวรอยู่เนี่ยตัวสัญญากภาวะตัณหาคือตัวโมหะคือตัวหลงนั่นเองตัวโมหะหลงมีหลงเป็นหลงได้อหลงดีใจหลงเสียใจหลงเป็นผู้เป็นคนอันนี้ก็เรียกว่าภาวะตัณหานี่ไปเห็นเขาเถอะี่ยอ๋ออยากเชี่ยงแท้อยากถาวรอยากเป็นทนนะหลงเป็นตัวเป็นตนแล้วนะที่ตัวเขาไปดูเขาไปรู้เขาไปเห็นก็คือตัวสติตัวสปัญญะตัวความรู้สึกตัวเนี่ย ความรู้สึกกขาเห็นความรู้สึกใจเห็นใจจิตเห็นจิตผู้รู้เห็นผู้รู้เนี่ยเขาไปเห็นเข้าปั๊บมันแล้วก็มันก็เลยหายไปไอตัวอาการของอาการของตัวไม่พอยตัวอยากมีอยากเป็นอยากเที่ยงแท้ถาวรก็หายไปวิพัฒนาดีวิตัฒหาอยากทะยานอยากไม่มีอยากไม่เป็นอย่างเราเป็นตัวเจ็บไข้ได้ป่วดไม่อยากไม่อยากเจ็บไม่อยากไข้ไม่อยากป่วยไม่อยากเป็นอะไรให้เนี่ยไม่อยากโรคไม่อยากโปวดไม่อยากหลงไม่อยาก พอใจไม่อยากไม่พอใจอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากให้ขาดศูนย์ไปสินะอยากว่าให้ตัวตนขาดศูนย์สินี่ยตัวตนมันไม่มีอยู่แล้วอยากให้มันขาดศูนย์นี่คือนะอยากในทางที่ผิดขึ้นมากันเรียกว่าอยากไอ้ตัวนนี้เป็นแค่ตัวโทวสะเลยอยากทําลายไอ้ตัววิสาวัหาก็คือตัวตโกรธตัวพยาบาทตัวไม่พอใจนเทนี้ภวะตัณหาตัวโมหะอยากหลงมีหลงเป็น การมาสรรหาก็คือตัวโลภตัวราคะตัวกำหนัดตัวอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากดังอะไรเองก็คือลงทุนที่โลภกดลงเี่เองเป็นต้นเป็นมูลเหตุก็คือสัรหาสามตัวนี่แหละก็คือตัวมาจากตัวโลภตัวกดตัวลงนี่เองเจนี้เราก็ไปเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นวเจ้านี้ก็คือนั่นขึ้นมาเจ้นี้ก็วิธีทะทำยังไงวิธีทำก็ให้มาดูกาย เวทนาจิตธรรมเนี่ยพราะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างผู้หญิงไม่มีเสียงมีเสียงเสียงมีเสียงผู้หญิงเ่ยเสียงมีแต่ผู้หญิงไม่มีไม่มีเสียงผู้ชายเสียงมีแต่ผู้ชายไม่มีมันเป็นสมมุติเฉยผู้ชายผู้หญิงนะเป็นสมมุติตเฉยว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวโตเราเขานะเป็นสมมติเฉยๆที่มันมีจริงก็คือรูปธรรมนามธรรมรูปธาตุนามธาตุและการวิญิพานธาตุธาตุว่าง สุญญตาธาตุเนี่ยเป็นของที่มีจริงเลยที่สมมติเนี่ยว่าเป็นว่าเป็นราชารสอย่างเงี้ยไม่มีนะสมมุติเฉยเไม่ใช่รูปน้ำเฉยสมมุติว่ารูปราชารสอย่างนี้ไม่มีอย่างพระเจ้าแผ่นดินอย่างเงี้ยก็ไม่มีนะไม่มีสมมุติขึ้นมาเฉยเฉยก็ไม่ใช่รูปทำน้ำรำได้นั่นเองแล้วทีนี้ก็เท่ากันหมดเลยรูปทำน้ำทำของเป็นยาจกรูปทำนา้ำรมของเป็นพระเจ้าแผ่นดินรูปทำน้ำรมของพระมันก็ือเท่ากันเท่ากันยังไง เท่ากันคือเท่าแบบอนิจจ์รูปนามอนิจจ์เปลี่ยนแปลงทุเสมอรูปนามทุกขังทนอยู่ไม่ได้อ่าไม่ทนทนอยู่ไม่ได้ทนลำบากทนยากเสร็จแล้วก็ทนไม่ได้ก็พูพังไปอนัตตาบังคับไม่ได้ว่าไม่ฟังไม่เป็นไปตามจะัจจปัจจัยาจงเป็นอย่างนั้นจงเป็นอย่างนี้เพมันก็ไม่เป็นให้เธเนี่ยอย่างวิญญาณเนี่ยเอ้าเราวิญญาณไม่ใช่ตัวตนวิญญาณถัดดูเนี่ยเป็นอนิจจ์ไม่เที่ยงเป็นผูุ้ขังเป็นอนัตตาเป็น ตบหน้าตาไงเราบังคับเต้ยวิญญาณท่านรู้นะรู้แต่สุขนะรู้แต่ดีนะทุกอย่าไปรู้อะย่าไปรู้ช่วยจะไปรู้เจ็บปวดจะไปรู้เนะ้อรู้แต่ความสบายมันได้บังคับได้ที่ไหนแต่บังคับไม่ได้มันก็รู้เสดเจนเลยก็ไปเป็นหน้าที่ของมันที่รู้รู้ต่างๆรู้นานารู้วิเศษรู้จะแจ้งเนี่ยรู้ทั้งทุกุรู้ทั้งความปวดทุกข์ด้วยเนี่ยเราจะพึกยังไงก็ฝึกให้มีสติให้มันคุ้นเคยกับความรู้สึกซืึ้ง คุณเคยกับความรู้สึกเฉยๆคุณเคยกับความรู้สึกเปล่าๆคุณเคยกับความรู้สึกว่างๆคุณเคยกับความรู้สึกกลางๆคุณเคยกับความรู้สึกปกติคุ้มเคยกับความ the, บ้างทุกข์ความไม่มีทุกข์นี่ก็คือฝึกที่หลวงพ่อเทียนฝึกให้เราเนี่ยดยกายเฉยเฉเห็นการมาเกิื่ขยับเห็นอาการมาเกิื่อนไปก็ดูเฉยเฉยรู้สื่อซืรู้เฉยเฉรู้สะพัสเฉยเเห็นความเคิดก็เห็นเฉยเฉยมันคิดดีก็ชันมันเคิดไม่ดีก็ชังมันไอความรู้สึกซื่อซื่อเฉยเก็ช่างมันเลยนะอ่าทีนี้ ไอ้ตัวรู้ซื่อๆเฉยๆเป่าๆเนี่ยมันไม่มีความนักคิดเจียปนไม่มีกิเลสเจียปนมันมีความปรุงแต่งเจียปนขึ้นมาก็ตัวนู้นเนี่ยกระตัวว่างอยู่รู้บางว่างก่อนให้ฝึกตัวนี้นะทีนี้พอเราฟังเทศจะยกมือยกมือปั๊บยกมือรู้เห็นความรู้สึกซื่อๆเฉยๆเปล่าๆเคลื่อนไปแล้วก็หยุดอยู่แล้วก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปทีนี้บังเอิญเสียงโผขึ้นมาเสียงไก่ขันเสียงรถยนต์เสียงฟ้าผ่าเปี้ยงขึ้นมาเราก็เข้าไปรู้เฉยๆเหมือนกัน เพรว่าจิตแล้วมันคุ้นเคยกับตัวนี้อยู่คุ้นเคยกับตัวความซื่อเฉยๆเปล่าๆนี่อยู่ว่างๆนี่อยู่เข้าใจไหมเนี่ยเราต้องฝึกให้คุ้นเคยตัวนี้คุ้นเคยกับความรู้สึกที่มันไม่มีทุกข์เยอะปนความว่างทุกเนี่ยความไม่มีทุกข์ก็คือให้คุ้นเคยกับพันธิพาณนั่นเองอ่าให้คุ้นเคยกับพันธิพาน์แนี่เราจะฟังอะไรนะไม่รู้เรื่องกทั้งมันอ่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องก็รู้ไปรู้ม่รู้เรื่องอ่รู้แล้วใช่ไหมกับหมดปัญหาหมดความสงสัย หมดความคิดปรุงแต่งเลยนะหมดตัวทุกข์เลยนะรู้เรื่องก็คือรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็คือไม่รู้เรื่องะเข้าใจก็คือเข้าใจไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจก็คือรู้หมดเลยเนี่ยหลวงพอคำเขียนที่ว่าโอ้ตัวรู้ตัวรู้เนี่ยเขาเรียกตัดสรู้ตัดสรู้กัดสรู้จัดสรู้รู้อารมณ์อย่างแจ่งแจ้งรู้ตรงๆรงู้ซื่อซื่อนะรู้ไม่ไม่คดไม่อ้อมค้อมรู้ไม่ปรุงไม่แต่งรู้ปกติรู้ธรรมดาไม่ใช่รู้พิดปกติรู้ปกติกับรู้ดีใจ รู้เสียใจรู้รักรู้ชังรู้พอใจไม่ไปใช้รู้สิรู้สมรู้สรรเสริญรู้นินทาอันนี้คือรู้ผิดปกตินะถ้ารู้ปกติแล้วมันก็เฉยเฉยอยู่รู้เปล่าเปล่ารู้ว่างว่างรู้กลางๆนะให้จิตมันคุ้นเคยจากนี้ก็ทีนี้ค้นใจจะพ้นทุกพ้นกิเลสพ้นนึกคิดปรุงแต่งเพราะความเพียรใช่ไหมวิเดเยนทุกขามัจเจติอย่างนั้นเราก็ต้องทําำทํำความรู้สึกเนี่ยให้มันคุ้นเคยกับ ความรู้สึกซื่ อ, อ, อๆเฉยๆมาทำยังไงก็ดูกายกายมาเคลื่อนไหวก็ดูเฉยๆดูวิชาาวิชาณามันเกิดขึ้นที่กายที่ใจก็ดูเฉยๆนะอย่าไปอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจอย่าไปรักเกะกะทังมาดูปกติเลดูกายเนั้นดูจิตจิตมันนึกคิดมันแสงมันรู้ลมอะไรก็อาจารรู้ทำทำมรลมที่มันเกิดขึ้นนะกันขัน5้ารูปวิชาาสัญญาสังขารวิญญาณมาทำหน้าที่ของมั น, น, ามนยางไรเนี่ยรูปนิวณห้ารูปพจชฌงเจ็ด รู้อะไรรู้สติรู้สัพพัญญะรูะ้รู้ความเห็นถูกต้องรู้สัมมาทิฏฐิก็เลยว่ารู้ ove, ตัวสมาทิฏฐิก็ความเห็นชอบถูกต้องชอบอะไรชอบถูกต้องอะถูกต้องความพ้นทุกข์ถูกต้องความไม่มีทุกข์นะสัมมาสังกัปโปสัมมาสังกัปปะดําริชอบดาริเอกจากรามดาริเอกจากความพยาบาทดําริเอกจากความเบียดเบียนสัมมาวาจาโพจิชอบ คําสัตว์คําจริงคําไเร้อนหวังคําสมานสามัคีคำมีประโยชน์คําที่แชนีชี้แนีให้พ้นทุกข์เนการงานชอบการงานที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ล <Atlas. S 2> ักทรัพย์ไม่พิผิธนายกรรมการงานที <t> ่ไม <PhD> <t> ่เบียดเบียนกายวาจาใจให้ไปทุกข์ไม่เบียดเบียนกายวายใจปืนไปทุกข์เนี่ยการงานชอบข้าการงานชอบแล้วก็เลี้ยงชีวิตชอบเอาอะไรเลี้ยงชีวิตที่เนี่ยเลี้ยงชีวิตทางกายก็ลมมันเลี้ยงอยู่น้ําเลี้ยงอยู่อาหารไม่เลี้ยงอยู่แต่ว่าลมมันเลี้ยงอยู่ก็ต้องกว่า หายใจเข้าหาจะออกเนี่ยบำรุงเลี้ยงกายทีนี้ความรู้สึกนึกคิดคืออาจจมันเลี้ยงอยู่วิตกวิจาร์ตึกตองอยู่ในใจเลี้ยงอยู่ทีนี้ความนึกคิดขึ้นมามันจะเลี้ยงทีนี้ทีนี้อตัวที่จะเลี้ยงใจให้ไปไปวีทุก์ก็คือตัวสติความรู้สึกตัวตัวพร้อมความรู้สึกตัวซื่อื่อเฉยเนี่ยเลี้ยงใจไม่ให้เป็นทุกข์ขึ้นมามันก็เลี้ยงสังกายเลี้ยงสังเกตเลี้ยงชีวิตชอบทําความเพียรชอบป้องกัน กิเลสอะไรที่เกิดขึ้นไม่ยังไม่เกิดจะให้มันเกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ละทําความดีคือทําฝึกสติฝึกใจให้รู้สึกเฉยๆเนี่ยมาฝึกฝึกให้เกิดขึ้นพอฝึกเกิดก็รักษาไว้ปิชีรักษาก็คือมีสติรู้สึกตัวทั้พร้อมอยู่เสมอเนี่ยแหละรักษาจิตใจไว้ให้มันปกติให้มันซื่อๆเฉยๆอยู่ทีนี้ต่อมาก็ทําสติขอรระลึกมั่นสติก็ระลึกได้กายก็สักแต่ว่ากายไม่จะสัตว์บุคคลตัวตัวเราเขา การเบีนาเมันจะสัตว์บุคคลตนตนเราเขาจิต ก, ก็ไม่จะสัตว์บุคคลตนตนเราเขาทําก็ไม่จะสัตว์บุคคลตนตนเราเขากายรูปร่างกายเนี่ยเป็นธาตุรูปธาตุดินธาตุาน้ำธาตุลมธาตุไฟของแข็งเนี่ยมไม่จะสัตว์บุคคลตนตนเราเขาน้ำคือความรู้สึกเสวยสุขเสวยทุกข์สัญญาความจําสังขารความคิดแล้วก็บิญญาณ au, รูปแจ้งอารมณ์ต่างตาหูจมูกเลี้ยงนก่ ใ, ใจ บัญญัตนี้เป็นบริษัทบุคคลตนๆของเขานามนีับริษั์บุคคลตนๆองเขาเนี่ยสติเราลึกรู้อย่างนี้ใจตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ในความรู้สึกซื่อๆที่เฉยๆตั้งมั่นอยู่ตรงนี้นั่นแหละตั้งมั่นสิที่สมาธิมันจะตั้งมั่นชอบมันต้องประกอบ้ตตังแ่มาตั้งแต่สมาธิิความเห็นชอบสมาสังโปนนําเดชชอบสมาวาจารการพูดจาชอบสมากรรมโตการงานชอบสมาอาชีโ ความเลี้ยงชีพชอบสัมมาสติเนีย่ยพวก ร, รวมเข้ามาทั้งหมดแล้วมารวมที่สมาธิ น, นีสมาธิตัวนี้เป็นสมาธิที่รู้สิ้นบิกบานอยู่นะสมาธิตตัวนี้เป็นสมาธิที่เป็นทั้งศิ้นเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญานะเป็นทั้งตัวความรุ้พ้นอยู่ในตัวเสร็จเลยเพราะมันอยู่อารมณ์ซื่อๆอารมณ์เฉยๆอารมณ์ป่าๆมันตั้งมั่นอยู่อย่างเงน้ยมันก็กิเลสความนึกคิดปุงแต่งความโลภความโกรธความหลงมก็เข้ามาไม่ได้แล้วตัวรู้สมาธิฉีดมันก็เข้าไปรู้อยู่นะรู้เฉยๆอยู่เนี่ย มารวมกันก็รวมเป็นหนึ่งนะจากแปดรวมเป็นหนึ่งเขาเรียกเอ็ดอินวันนะสะโทอินวันทีอินวันนะที่เรากินกาแฟากินอนะไอันนี้เอ็ดอินวันแปดรวมหนึ่งนะก็รวมรวมที่ความรู้สึกตัวซื่อๆเฉยๆเปล่าๆเองเนี่ยมันจะรวมลวมได้ก็เพราะมีความเปี่ยนมีบิดะความเปี่ยนเข้าไปไกําหนดรู้อยู่นะทําอย่างนี้ไม่ใช่ติดมันนะนรู้อยู่มันก็จบนะมันจบทุกทีหนะลังยกเท้าเหยียบพื้นนะเนี่ยเหยียบปับ๊บมันก็วางทันทีนะ ยกขึ้นมันก็วางแล้วกันนะเพราะเพราะไอ้อเหยียบอยู่พอยกขึ้นมันก็วางเลยะวางตัวเหยียบเลยนะพอเก้าไปก็พอเหยียบปั๊บมันก็วางทิ้งละทิ้งตั ว, ท, ตวทิ้งตัวเก้าเลยอนะ่ะมันปล่อยมันวางอยู่ในตัวเซษอตัตโนมัตินะให้เข้าเราไปรูมันจบอยู่ในตัวอตวัตโนมัติทั้งหมด Gary. เนานะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ระไปมันก็จบของมันให้มันนะจบไปเห็นอยู่กับกับไปหาความว่างอย่างเก่าอยู่นะกับไปหาพลังพานอย่างเดิมอยู่ ทีนี้เจตใจของเราเนี่ยพันธุานเลี้ยงอยู่เจตใจปกติเจตใจซื่อๆเจตใจเฉยๆตัวนี้กำลังเลี้ยงอยู่แต่ทีนี้ตัวโรบตัวโกดตัวหลงเน่ยมันเกิดขึ้นวบวับแบบแบบนี่ถ้าหากว่าตัวกิเลสตัวโรคตัวโกตัวหลงมันเลี้ยงเราพวกเราตายไปนานแล้วขับแค้นใจตายไปนานแล้วเข้าใจไหมแต่เราไม่รู้เลยนะไอ้ตัวไอ้ตัวดีใจเสียใจมันเข้ามามาเลี้ยงนิดเดียดน่อยแค่นี้นเองแล้วก็ไปติดมันเนแล้วก็ไปหลงมันะไปหลงมันทีนี้เจตเจตตัว ไอ้ตัวท <which S 2> ี่พันิพาณมันเลี้ยงเราอยู่แล้วนะเลี้ยงโดยอัตโนมัติที่เราไม่รู้มันไม่รู้จิตซื่อจิตเฉยจิตเปล่าความรูสักเน่ะตัวนั้นนะมันเลี้ยงชีวิตให้ไม่ให้เป็นบาตสเว่าะว่าถ้าตัวโลภตัวโกรธตัวหลงตัวกิเลสเลี้ยงเราเราก็เป็นบาสเสียประสาทไปแล้วะเสียประสาทเป็คนที่ีคิดไม่รู้จบนะเป็นทุกข์กังวลนั้นกังวลเนี่อันตัวกิเลสตัวกําลังเลี้ยงอยู่ เลี้ยงเลี้ยงจิตเลี้ยงใจอยู่แต่คนที่ปกติเป็นคนที่จิตใจซื่อสัตย์บริสุทธิ์จิตใจไม่ไมีคีุกข์ที่ปนจิตใจปกตินี่ก็คือตัวสติตัวสัพพัญญะตัวพรนิพพานเลี้ยงอยู่ะก็แค่นี้ก็รู้แค่นี้ใชนีหมก็รู้ตอนนีน้ธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยเนี่ยล้วก็เป็นตัวแทนมนุษย์เนี่ยหัวสูงใจสูงปัญญาสูงมันเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อให้รู้ธรรมชาติธรรมชาติทุกสิ่งคือธรรมะอ่า ไม่ยกเว้นอะไรเลยนะตั้งแต่รูปนามหนึ่งอนูพันธุพาณิ์เนี่ยเป็นเป็นรูปนามที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนโลของว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนโลเขาทุกอนูเลยว่างอยู่อย่างนั้นแต่ว่าไม่รู้นะแต่ไม่รู้เป็นพอรู้ปั๊บไอ้ตัวรู้เนี่ยมายึดเอาตัวรู้ปเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ยึดเอาเป็นไอ้พวกไอ้พวกาธาตุต่างๆ่าว่าเป็นท่านเป็นเน่ยว่าเป็น ว่าเป็นสัตว์ไก่เป็นสัตว์หมูสัตว์ม้าสัตว์คนสัตว์นรกสัตว์เป็ดอะไรเป็นสัตว์บางคลต่อตเราเขาทริจริงมันเป็นแต่อาการของมันเท่นั้นเอาการไหนที่หยาบใคลาแสบเผ็ดรุนแรงอาการนั้นก็เป็นอาการทุกข์ไปเลอาการไหนนิ่มนวลสุภาพเรียบร้อยอาการนั้นก็เป็นอาการสุขไปเลเนี่ยนี่อาการซื่อๆอาการเฉยๆไม่มีสุกขไม่มีทุกข์ไม่มีหยากไม่มีคลายไม่นิ่มนวลอาการนั้นก็เป็นอาการพ้นทุกข์อาการของพันธุ์ผานไปก็แค่นั้นให้รู้อย่างนี้เพื่อให้รู้ถ้าถ้าหากว่า มันมีแล้วไม่มีตัวรู้มันก็หมดเลย่ามรโลกทั้งโลกพระอาทิตย์พระจันทร์จักรวาลเนี่ยมันมีอยู่ขนาดไหนถ้าไม่มีตัวรู้มันก็คือไม่มีนั่นเองไม่มีไม่เป็นอะไรอตัวรู้เนี่ยมันเข้าไปรู้ว่ามีคือให้ธรรมชาติรู้จากตัวมันเองะตัวมันเองรู้จักตัวมันเองธรรมชาติก็คือตัวที่ น, นตัวจิตตัวใจท่านรูนะ้เป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของธาตุดินอธาตุดินแข็งๆนะธาตุน้ําเดียวไหลเอ่ออาบเสีนมซาบนะ ธาตุลมอากาศเคลื่อนไหวพัดไม้ไปมานะเคลื่อนไหวนะธาตุไฟร้อนอุ่นนะธาตุว่างความว่างเป็นสุญญากาศนะวิญญาณธาตุคือธาตุรู้เนี่โอ้ว่า ม, มันมีอยู่แค่นี้หกธาตุแค่นี้เองนี่พระโมคคัลลาสแสดงนิดได้ห่อหินเดินอากาศได้เนี่ยก็หายตัวได้อะไรก็แล้วแต่นี่ก็ยังฟังแค่เนี้ยสังเ็จวราารณะเลยอพระโมคคัลลาภาษาที่บุตรก็ฟังธรรมอะไรสิ่งทั้งหลายควรแก่เราเราชอบใจสิ่งนั้นสิ่งทั้งหลายไม่ชอบใจแก่เราเราไม่ครอบใจสิ่งนั้น บางอย่างชอบใจเราทั้งสองชอบใจเ ร, เราก็ชอบใจเช่นนั้นถ้าทั้งสองอย่างไม่ชอบใจเราเราก็ไม่ชอบใจเช่นนั้นผู้เจ้าตอนนี้สารีบุตรท่านนั้นก็ให้วางเสียเหมือนกันเิ่งนั้นก็ไม่ถูกกระพันไม่ถูกต้องต้องวางทิ้งเสีย เ, เสียนเฉยเสียเหมืนอนกันภาษาดิบุตรฝังถามแกนี้ก็สําเร็จอรหันเลยภาษาดิบุตรสิบสิวันพระโมกขาเจวันเจ็ดวันสําเร็จแต่ภาษาดิบุตรมีปัญญามากมีความคิดมากนะก็จะสำเร็จช้าหน่ยอยเพราะต้อง ต้องปรุงแต่งหาเหตุหาผลหาอะไรอยู่เนยนะจีนี้นพระเจ้าตัดแค่เนี่ยปั๊บก็สําเร็จอรหันไปนางวิมัชราเฉรีก็ทุกเทนั้นเกิดขึ้นทุกท่านั้นตั้งอยู่ทุกทนั้นดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดไม่ดับฟังแค่เนี่ยสําเร็จอรหรันจิตหมดความสงสัยหมดทุกข์หมดกังวลหมดตัณหาหมดความทยานอยากหมดความอยากรู้อยากเห็นอยากอะไรหมดเลยทีนี้ก็พระทายิยะทารุจารีก็ตาเห็นลูกสักว่าเห็นอ่า สักวารู้สักก็เห็นเฉยเสียงกระทบหูสักว่าสักวารู้สักว่าเสียงจมูกต้องกินสักวารู้สักว่ากินลิ้นลิ้นรสสักวารู้สักว่ารสเฉยๆกายสัมผัสสักวารู้สักว่าสัมผัสเย็นน้อนอ่อนแข็งนุ่มเนื้อยากกระด้างเฉยๆใจซื้อเฉยๆอยู่รู้ธรรมอารมณ์รู้ความรู้สึกนึกคิดรู้อะไรจิตบุญแต่งขึ้นมาก็ดีช่วยยังไงก็เฉยเมื่อนั้นจะไม่มีตัวเธอตัวตน ตัวอีโก้อยู่โรคนี้ไม่มีตัวตนตัวตัวตนตัวอีโก้ตัวเราอยู่โลกหน้าไม่มีตัวตนตัวอีโก้ตัวโรคนี้ระหว่างโรคทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกฟังแค่นี้สำเร็จอรหันเลยถ้าภัยยะในอาไรเรียกว่าสําเร็จโดยทันด่วนปัจจุบันทันด่วนเป็นผู้เลิศในการสําเร็จไวสําเร็จได้ไวผู้ชายยกย่องไว้ยังไม่ได้บวชยังไม่ได้เปลี่ยนกาย ร่างกายเป็นพระเลยเป็นพระลันหารเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ไปหาท่าจีวรจะบวชว่าไม่ดกอ่อนเลยประช้ามันผิดอราต้องวนตายอยพระบิณฑบาตกลับมามาเห็นเขาก็หามไปเผาหามไปเผาแล้วเอากระดูอฐิธาตุของพระลังหานั่นไว้ที่กําแพงไว้ที่วัดประเทะวันเฉประเวันวงสวาวศรีอ่ะไว้ที่นั่นคือมันเป็นที่ทจิตใจใจเป็นนี้กลายเป็นก็ปอมเยอะแยกไปน ร่างกายปองก็ไม่ก็เห็นอเป็นปองเนี่ยคนสอนผิดเนี่ยคนสอนผิดอย่างเช่นว่าร่างกายเอะพระนิพพานเป็นจักรวาลจักรวาลเพชรจักรวาลแก้วจักรวาลทองคําให้เราไปอยู่เป็นตัวตนเที่ยงแท้สาววอยู่ที่นั่นเลยเป็นสว่านก็เป็นจักรวาลอย่างนั้นยอันนี้ก็สอนเรื่องรูปกับนามเที่ยงแท้สาววเนี่ยอนนี้ก็สอนผิดตรงนี้สอนสอนผิดคําสอนพระเจ้าเลยพระเจ้าบอกสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะ สิ้นตัณหาคือพันธิพานตัวนี้เองมันสิ้นที่ไหนก็สิ้นที่ใจสิ้นที่สัรู้นี่เอตัวรู้หมดความสงสัยเราไม่อยากได้อยากมีอยา ก, ยากเป็นอะไรนะัแหละมันสิ้นตัวนี้ไม่ใช่ว่าเป็นจักรวาลถ้าใครสอนจักรวาลอย่างนั้นขนก็ติดวัตถุติดอะไรติดความอยากได้อยากมีอยากดีอยากเด่นอยากดังก็ตัว น, นี้จะสําเร็จได้ยังไงก็ต้องให้บริจาคเลยนะก็ทุ่มเงินเหม่ทุ่มทั้งเงินทั้งทองทั้งอะไรก็ไปทุ่มก็ไปเสร็จแล้วทุ่มก็ทั้งอมหัวเมียผิด ทะเลาะ ก, กันก็มีพ่อผัวให้ให้ทานจนหมดตัวเนี่ยให้ทานจนหมดตัวเงี้ยก็อยากจะได้ไปสวรรค์ข้างหน้านิพานข้างหน้านิพานที่จากเมื่อกี้ในที่สวดเมื่อกี้กัปัจจุบันเนี่ยใครละกิเลสลบกฏหลงได้ก็ปฏิภาณในปัจจุบันทีนี้ให้เราถ้าจิตใจของใครน้อมไปสู่ปฏิภาณเสมอจิตนั่นจะว่างจากกิเลสนะมันจะว่างจากจะจ ะ, จะไม่เลสมันจ ะ, จะไม่กิเลสเพียบพลอยอย่างเราสวดมนต์เงี่ย ส่วนเงินปั๊บเนี่ยจิตมันจะว่างจากตัวกิเลสโลกกรหลงอยู่นะมันก็น้อมไปพันธิพาณอย่างเราเทศอยู่เนี่ยเทศอยู่เนี่ยจิตก็น้อมไปเพื่อพันธิพานเหมือนกันน้อมไปเพื่อว่างจากกิเลสว่างจากทุกเหมือนกันทีนี้เราฟังอยู่ฟังอยู่มืนกัจิตแล้วก็น้อมไปน้อมไปพันธิพาณเหมือนกันนะน้อมไปสู่การพ้นทุกการดับทุกเนี่ยเนี่ยก็เลให้เข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้ทราบอย่างนี้แล้วก็กมันลงอยู่ตัวเดียวเองนะมันลงตัววิลเยนะทุกธรรมเจติทําความเพียรเข้าอ่า จะเผอสติไงนะให้ทําความเพียรก็คือเนี่ยไปรู้มีอะไรรู้ให้หมดเนี่ยก็ที่กายรู้ให้หมดนี่จะแก้ไขก็รู้วฏิที่แก้ไขแก้ไขแบบที่ใจไม่เป็นทุกข์ไงนะแก้ไขแล้วปรับปรุงก็ไม่ทุกข์ไงนะอย่างกายมันหิวข้าวหิวเน่ามาถึงเวลากินหรือยังเวลากินก็เอากินยังไม่มีทุกข์หามากินก็ไม่รักไม่ป่วนไม่ขโมยใครมันก็ถูกข์มากมีองค์8อยู่ในตัวเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยอยู่ในตัวเสร็จเนี่ยแล้าตัวตัวสติ ต, ต, ต, ตัวปัญญาเนี่ยมันจะบริหาร บริหารกายบริหารวาจาบริหารใจบริหารความคิดบริหารคําพูดบริหารการกระทําเป็นไปเพื่อความพ้นทุกเป็นไปเพื่อความดับทุกเนี่ยลูพกพ่อเขาเขียนมีจิตคิดอ ย, ด ย, อ ย, ดยู่อย่างเดียวนึกอยูงรู้อยู่างเดียวเพื่อตับทุกเนนั่นแหะถูกต้องที่สุดเลยมีจุดหมายปุิ่มเดียวเนี่ยจะวิธีรำก็ทํำยังไงก็ก็มันไม่ทาก็ทําที่ ท, ำ ท, ำทำําธรรมะกายธรรมะวาจาธรรมะใจธรรมชาติตัว น, นี้ฝึกอยู่ที่นี้เองที่เราเขาพูดกขาพูดตัวตน ตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นประชีพของตนตนในที่ยจรก็คือธรรมธรพึ่งธรรมมีธรรมะเป็นประชีพเป็นแสงสว่างมีธรรมะเป็นสารณะนะเป็นที่พึ่งธรรมะคือกายคือรูปธรรมธรรมะคือใจคือนามธรรมพึ่งธรรมะสติพึ่งธรรมะปัญญาทรรพึ่งธรรมเนี่ยยั ง, งพูดตรงๆพูดทั้งนั้นก็ธรรมะพึ่งธรรมะธรรมะพึ่งธรรมะนั่นเองเสร็จแล้พูดเป็นภาษาสมมติว่าตนพึ่ง Target, ตนพูตนพึ่งตนอะไรหลังจากเราเข้าใจ เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ก็เหลือแต่ อ, อย่างเดียววิธีทำํำแต่อะไรเกิดขึ้นช่างมันเป็นอาการเป็นอาการของกายเป็นอาการของใจเกิดขึ้นให้เข้าไปดูเข้าไปรู้จะแก้ไขก็แก้ไขอาการก็แก้ไขด้วยทีนี้ย้อนมาดูใจว่ามันแก้ไขด้วยความไม่ทุกข์นะด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแก้ไขด้วยจิตใจบริสุทธิ์ซื่อเฉยแก้ไขด้วยจิตใจเป็นกลางงั้นแก้ไขประปงุไปอย่างนั้นอันนี้แหละก็เดินอยู่ในองค์มากทีนี้ผู้ปฏิบัติ ตามมาั่กมีองแปดเนี่ยโลกจะไม่ว่างจากพระละหันเนี่ยพระละหัน์เป็นตรงนี้ทีนี้เรากําลังมีมั่กมีองแปดเนี่ยเราก็เป็นพระละหันในขณะที่เราปฏิบัติถ้าเราเผลอไปเราก็ไม่ได้เป็นพระรละหันนะเข้าใจไหม น, นั่นแหละมันเป็นมันเป็นอยู่ที่ขณะที่เรากําลังประกอบมั่กมีองแปดนะเหตุกับผลมาทันทันชี้ทันใดปัจจุบันนี่แต่ว่ามันเป็นรุดพ้นชั่วขณะแต่ทางขะวิมุดเน่ยชั่วขณะคณิกะวิมุตดอย่างเนี่ยสมุดเฉดวิมุตมิอย่างเนี่ย วิ่งขำพนันไม่มุดนี่นะกดกดคมปิดบังอยู่นะแบบแบบแบบนี้แบบเล่นอะไรแต่สมุดเชิสมุติเด็ดขาดอย่างพระอทหารนะทุกวินาทีเลยกิเลสความโลภความความหลงไม่ทุกขึ้นทุกวินาทีมีแต่ความรู้สึกเป่าๆว่างๆอยู่ตลอดอ น, นันตการนีทีนี้พวกเราเนี่ยมันก็เป็นพระอทหารชั่วขนาดหนึ่งในขณะที่เราฟังอยู่เนี่ยนะจิตไม่ทุกข์เลยดับการทั้งปวงจิตรู้ตื่นเบิกบานเลยนะขณะเนี่ย ก็เป็นอาหารหันชั่วขณะนะนนก็อยู่ในพันิพาณชั่วขณะก็เรียกตัดทาง ข, าข่ขาวิมุตต์คณิคะวิมุตต์หลุดพ้นชั่วขณะชั่วครั้งชั่วขร า, าวใช่ไหมยังไม่เด็ดขาดให้เข้าใจอย่างนี้เข้าใจที่ใจไม่ใช่เข้าใจที่ถามเอาฟังเอาคิดเอาไม่ใช่ต้องเข้าใจที่ความรู้สึกจริงๆนีเป็นของจริงอย่างนี้นะญาติโยมทั้งหลายคงจะเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติจันทรนี้ก็นะขอให้มีสติมีความเพียรระลึกถึงฟังตัวเดียวตัวเดียว ดับทุกขุนทุกเลยนะจะคิดจะพูดจะทําดับทุกขุนทุกแค่นี้เองก็เรียกว่ามีพาณิพานเป็นอารมณ์แล้วก็ตัววกิเลสมันก็เข้ามาแทรกแสงไปละตัวโลดตัวรุ่งตัวทุกมันเข้ามาแทรกแสงไปละมีพาณิพานเพื่อพ้นทุกข์ไว้พวกที่เขาฆ่าเขาขโมยเขารักเขามันก็ดับทุกเหมือนกันแต่มันดับทุกแบบผิดวิธีอผิดดับผิดก็ไปทุกข์เรื่อยไปถ้าดับถูก ดับทุกอย่างที่เราทำเนี่ยดับละความโลภความโกรธรัฐตัหาดับทุก็พ้นทุกตลอดไปแค่นอดีขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีดวงตาเห็นธรรมดับทุก้ดยกันทุกขณะทุกขณะหรือเด็ดขาดด้วยกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเทิน